อยู่ที่นี่เราพวกเรามีหมู่มิตรเยอะไม่ใช่เป็นหมู่มิตรธรรมดานะเป็นหมู่มิตรที่ร่วมปฏิบัติเป็นไกะล่ต่มิตรก็ได้นะบางครั้งเราท้าแท้เห็นเพื่อนเดินก็ทำให้เรามีกำลังใจหลายคนจะไม่เคย ได้ปฏิบัติทั้งวันนะอย่างที่ได้ทํามาถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวนะแค่ครึ่งชั่วโมงก็อาจจะรู้สึกว่ามันนานเกินไปละเพราะว่าอาจจะโดนนิวรร์รบ ก, กวนความง่วงความเบื่อแต่ว่าพอเรามาปฏิบัติอย่างนี้มีหมู่มิตรร่วมปฏิบัติด้วยกันก็ทําให้เรามีกําลังใจนะมีความพืชสู้ ไม่ยอมพายแพ้ต่อนิวรหรือกิเลสง่ายๆนอกจากเพื่อนที่ร่วมปฏิบัติแล้วนี่อาจารย์เราก็เยอะนะอาจารย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะาที่เป็นคนนะเท่านั้นอาจารย์ที่ไม่ใช่คนนะก็มีอยู่รอบตัวที่พูดนี่หมายถึงธรรมชาตินะธรรมชาติธรรมชาติเนีรร่ย เขสอนทําได้มากนะอย่างข้อความของหลวงพ่อคําเขียนที่เขียนไว้ตรงสารานอกนะตรงหน้าพระพุทธรูปเนี่ยก็ย้ําเตือนให้เราเห็นว่าเนี่ยธรรมะก็ไม่ได้แยกขาดจากธรรมชาติมันไม่ได้เกิดเลยจากธรรมชาติเลยแล้วก็ธรรมชาติก็ไม่ได้แยกขาดจากธรรมะสามารถจะน้อมใจให้เราเกิดธรรมะขึ้นมาได้ถ้าเรามอง พิจารณาธรรมชาติแต่ละส่วนแต่ละส่วนก็จะเห็นได้ว่าเขาสอนทมให้กเราได้มากมายอย่างเช่นดอกบัวเนี่ยดอกบัวนี่ก็เรียกว่าเป็นครูที่สอนทำได้ดีมากพระพุทเจ้าได้ตรัสถึงดอกบัวหลายครั้งนะในฐานะที่เป็นอุปมาอุปหมยถึงจิตของผู้ที่บรรลุธรรม อย่างพรอวงเคยตัดว่าเนดอกบัวนะเกิดในน้ำนะเจริญในน้ำแต่ว่าโตพ้นน้ำแล้วมาโตพ้นน้ำแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่อาจจะฉาพห้ติดได้ก็เหมือนกับบุคคลที่ได้ปฏิบัตินะจนเข้าถึงความจำแจ้งในสัจธรรมอย่างเช่นพระพุทธองค์เนี่ยหรือพาระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ เกิดในโลกนะเติบโตในโลกนะแต่ว่าสามารถที่จะยกจิตอยู่เหนือโลกได้แล้วก็โลกนี้ไม่อาจจะกลัวติดหรือว่าจิตของท่านไม่ติดในโลกตัวอยู่ในโลกนะแต่จิตอยู่เหนือโลกเหนือโลกนี้เราเรียกว่าภาษาบาลีว่าโลกุตระหรือว่าบางทีเราก็เรียกแบบไทยๆว่าโลกอุดรนะโลกอุดรเนี่ย มางคนเคยได้ยินหลวงปู่โลกอุดอนนะโลกอุดอนนี่คือโลกอุตรละนั่นเองอุดรนแปลว่าเหนือเป็นสวาวดจิตนะของผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมแล้วเห็นเข้าถึงความเป็นธรรมดาของธรรมชาติทั้งปวงท่้นตัวอยู่ในโลกนะเท้ายังเหยียบพื้นอยู่แต่ว่าจิตนี่อยู่เหนือโลกนะแล้วไม่ติดในโลกนะไม่ติดในโลกหมายถึงว่าโลกธรรมไม่ว่าโลกธรรมไยบวกฝ่ไฟลบ เมื่ออย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยจิตของผู้ใดที่โลกทำนะถูกต้องแล้วนะไม่หวั่นไหวเป็นจิตไม่เศร้าโศกไร้ธุลีกินเละเป็นจิตกเกษมสารคือถูกต้องนะแต่ว่าไม่สามารถจะฉาเป็ดติดได้เหมือนกับน้ำเนี่ยน้าต้องใบบัวดอกบัวแต่ว่ามันไม่ติดนะอันนี้ก็เป็นครูสอนทําให้กับเราได้เวลาเราทุกนะ เราทุกข์ด้วยความกัดกลุ่มด้วยความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยลองดูดอกบัวหรือใบบัวเนี่ยเขาไม่ไม่ยอมที่จะให้น้ํานี่มาฉาบติดหรือว่ามาขังอยู่ได้นานเลยนะใบบัวนี่ถ้ามีน้ํามาขังอยู่แม้เพียงนิดหน่อยนีย่เขาก็พยายามโอนเอง เพื่อเทน้ำให้ออกมาออกไปนะจะได้เบาเหมือนเดิมเราก็ต้องนะเอาบัวนี่เป็นครูบาอาจารย์บางพยายามเทเทอารมณ์ที่เป็นอดีตนะสิ่งที่ผ่านไปนแล้วหรือแม้แต่อารมณ์ปัจจุบันก็ตามว่าเทมันออกไปเห็นก็สักตะวันเห็นได้ยังสักตะวะได้ยินไม่ใช่เก็บออกมา จนค้างคาใจ <c oughs> เรื่องเมื่อเช้าเรื่องเมื่อวานก็ <c oughs> ยังไม่เทเออกไปจากใจทุกทีเนี่ยก็ยังปล่อยให้ค้างคาติดอยู่นั่นแหละบางคนนี่ไม่ใช่แค่วันนะหลายวันทีเดียวนะเป็นเดือนเป็นปีก็มีอันนี้ต้องฉลาดนะฉลาดในการที่จะเทมันออกไปจากใจหรือที่เราว่าปล่อยวาง แต่ว่าดอกบัวนี้ก็อาจจะสาหรับเราก็จะรู้สึกว่าเป็นอาจารย์ที่ที่ยากสักหน่อยนะเพราะว่าการที่จะไม่มีกิเลสมาฉาบติดหรือว่าไม่ติดในโลกนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อไกลเกินไปสําหรับเราในตอนนี้แต่ว่ามีอาจารย์หลายอย่างอีกมากมายนะต้นไม้นี่ก็เป็นอาจารย์ของเราได้นะเลยเพราะต้นไม้ที่สูง ต้นไม้ยืนต้นทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของเราได้ก็สอนได้หลายแง่หลายมุมนะเช่นเขาแผ่ใบรับแดดแต่เขาไม่ได้ทุกข์เพราะแดดเลยนะเ mm hmm. ขาสามารถที่เปลี่ยนแดดที่ร้อนให้กลายเป็นร่มเงาที่เย็นได้ mm hmm. เป็นสุดยอดของความเปลี่ยนกลายเป็นดี ซึ่งเป็นหลักการภาวนานะที่หลวงพ่อคําเคลียรได้พูดอยู่เสมอว่ากับภาวนาคือเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีต้นไม้นี่เปลี่ยนนะเปลี่ยนแดดที่ร้อนให้กลายเป็นเงาที่ลมเย็นให้สัปสัตได้พักนะเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นดอกไม้เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นผลไม้นะที่หอมหวานเอาขยะทิ้งลงไปทิ้งลงไ ป, งงไปต้นไม้ไม่บ่นไม่อุทธรเลยนะ ต้นไม้ก็เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นใบที่เขียวใสสดใสแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นผลมไม้ที่หอมหวาน well ต้นไม้นี่ก็ยังสอนเราอีกได้หลายอย่างต้นไม้ยิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยเราสังเกตมายิ่งสูงเท่าไหร่เนี่ยรากเขาก็ยิ่งลึกนะยิ่งยอดเนี่ยพุ่งขึ้นฟ้าเท่าไหร่เนี่ยรานี้ก็ยิ่งหยางลงดิน ไปสองทางเลยต้นไม้ที่สูงใหญ่ก็จะหรือมีกิ่งก้านที่แผ่กว้างก็จะมีรากที่ลึกแล้วก็โยงกันเป็นเครือข่ายมันแสดงว่าอะไรมันแสดงเห็นว่าเป็นต้นไม้นี้เขาไม่ได้ทําแต่เฉพาะนะการที่จะพุ่งขึ้นฟ้าอย่างเดียวนะอันนี้เปลี่ยนมาเ่องานภายนอกนะเราทุกคนนี้ก็มีงานภายนอกเยอะงานครอบครัวงานการรับผิดชอบมาก ยิ่งคนที่มีความรับผชอบสูงมีฐานะตำแหน่งสูงเนี่ยก็มันก็ต้นไม้ที่สูงใหญ่แต่ว่าจะสูงใหญ่งั้นได้เนี่ยมันต้องมีฐานคือรากเนี่ยเป็นตัวประครองเป็นตัวยั่งเพื่อที่จะทําให้มั่นคงงานภายในก็สําคัญนะเราไม่เห็นรากหรอกเราเห็นแต่ลําต้นที่สูงใหญ่ก็ให้รู้ว่าที่ลําต้นสูงใหญ่ได้เพราะมีรากที่ยั่งลึกแล้วนะคนเรานี่อย่าทําแต่งานภายนอกนะเราต้อง ใส่ใจกับงานภายในงานภายในไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใครเห็นนะเหมือนกับร่างที่มันอยู่ใต้ดินสิ่งที่เรากำลังมาทำขณะนี้คือการพยายามทําให้รากหรือฐานใจของเราอย่างลึกลงไปไม่มีใครรู้หรอกนะว่าเออเรานี่มีสติมีปัญญามีความสงบแค่ไหนก็ะจะเห็นแต่ว่างานการของเราเนี่ยมันสําเร็จในะฐานะของเราเนี่สูงส่งเราประสบความสําเร็จความก้าวหน้า แต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหรือว่ารองรับได้เพราะมีฐานใจนะที่หยางลึกไม่งั้นเนี่ยนะมันก็เป็นต้นไม้ที่สูงแค่ชั่วคราวพอโดนพายุพัดก็พังครืนลงมาที่พังคืนเพราะอะไรเพราะไม่มีรากที่หยางลึกแต่ส่วนใหญ่ต้นไม้สูงๆยังไม่เป็นอย่างนั้นนะมีแต่ตึกสูงๆนะที่สูงเอาสูงเอาแต่ว่าฐานไม่มั่นคง พนะังลงมาก็มีนะอย่างร o ย a l พล a ซ่านะที่โคราชเมื่อ21ปีที่แล้วนะต่อเติมฐานก็ต่อเติมชั้นกข้ไปตเติมชั้นเติมสูงสูงๆูงรากฏว่ารากยังคงเดิมไม่ได้เสริมฐานเลยพังคือลงมาก็เมืคนที่มีการงานที่มากมายนะดีคขาไริดชอบเยอะแยะนะแต่ว่าเขาไม่ได้คิดที่จะทำฐานใจให้อย่างลึกมั่นคง ถึงจุดหนึ่งเขาก็เรียกว่าเสียศูนย์หรือว่ า, าหมดสภาพไปนะกลุ้มใจเพราะว่าเจอภาระงานการต่างๆมากมายเจอคนเลื่อยขาเก้าอี้เจอคนวิภาควิจารณนะ์ที่ค่าตัวตายก็มีนะก็เหมือนกับตึกโลยอพลาซ่าที่ว่าฐานเนี่ยไ ม, ไม่ไม่มั่นคงเพียงพอปัญหาไม่อยู่ที่ความสูงนะปัญหาอยู่ที่ความลึกมากกว่าเหมือนกับศึก สิกาปีที่แล้วก็มีมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะจังหวัดนครปฐมนี่มีวัดหนึ่งเขาอวดว่าเขามีทูบที่สูงที่สุดในโลกเมืองไทยสักเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมักจะชอบอวดกันนะนะทูบที่สูงที่สุดในโลกหรือว่าทําทําไข่เจียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะหรือว่าทําพิซซาที่อ่ หนักที่สุดในโลกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยประมาณ 10-20 ป, ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยก็แข็งกันแบบนี้ทวนี้ยังแข่งกันอยู่นะเพราะว่าทัรูปที่สูงที่สุดในโลกหลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะทูบนี้ก็เหมือนกันนะวันดีคืนดีทูบก็พังคือลงมาคนก็บอกว่าทูบเนี่ยมันสูงไปนะ30เมตร40เมตรสูงไปนะแต่ที่จริงอัตมาว่าไม่ได้สูงไปหรอกแต่ล่างมันตื้นตังหัน ตึกที่สูงวันนี้นะเป็นสามสี่ร้อยเมตรก็ยังก็ยางสร้างกันได้โดยที่ไม่พังคือลงมาปัญหารจริงอยู่ที่ฐานอยู่ที่รากเอาพวกเราเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่ารากของเราฐานของเราเนี่ยมันมันพอดีกับงานภายนอกที่เรารับผิดชอบหรือที่เรามุ่งหมายหรือเปล่าให้ ง, งานภายนอกงานภายในต้องสมดุลกันอันนี้พูดมอในแง่ของช่วงยาวนะ ในช่วงสั้นมองในช่วงสั้นๆช่วงขนาดจิตเนี่ยมันก็หมายความไปได้วยว่าเวลาเรารับรู้อะไรขึ้นมาเกิดผัสสะอะไรขึ้นมาเนี่ยนะอย่ามองไปข้างนอกอย่างเดียวนะต้องมองกลับเข้ามาภายในด้วยเหมือนก็ต้นไม้ที่เจริญเติบโตสองทางนะที่สวนทางกันนะคือลำต้นก็พุ่งขึ้นสูงแต่ว่ายากก็อารากนี่ก็หยางลงดิน การรับรู้คนเราเนี่ยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคือว่าเราสามารถที่จะรับรู้ทั้งภายนอกและภายในได้ในเวลาเดียวกันเวลาตาเห็นรูปหูได้อินเสียงนะใจแล้วก็การรับรู้เราเนี่ก็พุ่งออกไปข้างนอกแต่ว่าอย่าพุ่งออกไปข้างนอกจนลืมดูใจต้องกลับมาดูใจอยู่เสมอนะมันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์จากส่วนใหญ่คนเราเนี่ยนะพอมีอะไรพอเห็นอะไรก็ตามได้ยินอะไรก็ตาม หรือแม้แต่คิดนึกอะไรก็ตามเนี่ยจิตเนี่ยมันออกไปรับรู้ข้างนอกแล้วมันลืมกลับมาดูใจทั้งที่ตอนที่เกิดผัสสะหรือเกิดการเห็นลูกหูเตือนเสียงเนี่ยเกิดความทุกข์แล้วนะแต่ว่าไม่สนใจที่จะกลับมาดูใจไม่สนใจที่จะกลับมารักษาใจจิตเนี่ยมันพุ่งออกไปข้างนอกอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ถูกนะมันมีเรื่องเล่ามีเกล็ดเกี่ยวของท่าน คนสำคัญคนหนึ่งของประเทศจีนนะพุทธศาสนาจีนคือท่านเว่ยหลางท่านเว่ยหลางนี่เป็นคนที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าท่านได้รับตําแหน่งสังคัปรินายกองค์ที่หกแห่งลทัทธิฉานลทัทธิฉานนี่ก็คือลทัทธิเซนนั่นเองฉานนี่ก็คือฉานนั่นแหละฉานนี่ก็เป็นพุทธศาสนานะที่แพร่หลายในประเทศจีนตอนหลังก็ขยายไปทางญี่ปุ่นก็กลายเป็นเซนไป ท่าเวลานี้ถ้าเป็นสังฆปริยนยกองค์ที่หได้รับตำแหน่งนี้ตั้งแต่ยังเป็นค า, า, ารวะอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ว่าสังฆราชองค์ที่ห้าเนี่ยมอบหมายให้เลยเพราะว่าเห็นว่าภูมิฐานท่านสูงมากแล้วก็มีปัญญาแต่ท่านได้แล้วท่านก็ต้องหลบนะเพราะว่าคนที่เป็นทาญาติของสังฆราชที่ห้านี่ท่านไม่ชอบไม่พอใจว่าถูกยั้งตําแหน่งนะท่านก็ต้องหลบรี้หนีภัย จนทั้งหลายปีต่อมาท่านก็ไปไปประกฏบตัวที่เมืองกวางโจวัดกวงเซี่ยวอัตอมาก็ได้มีโอกาสไปวัดนี้มาแล้วนะก็น่าทึ่งนะว่าวัดนี้เนี่ยตั้งมาพันกว่าปีแล้วนะสมัยท่านเว่ยหลังประมาณพันสองร0พันสามรอปีนี่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นวัดที่ก็ยังเป็นวัดที่ยังมีผู้คนมาสักการะนะ มาทำบุญกันอยู่วัดในเมืองจีนที่อายุเป็นพันปีนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแนละ้วเมืองไทยนี่จะหาวัดที่อายุนานสองสามร้อยปีนี่ก็ยากแล้วนะเอาแค่สี่ร้อยปีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์แล้ววัดอย่างวัดพนัญเชิญนี่ก็หลายเป็นสี่ห้ารอยปีอันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นก็ได้นะแต่วัดที่อายุเป็นพันปีนี่เมืองไทยไม่มีหรอกนะแต่ของ ของจีนนี่เยอะมากนะวัดกวงเซี่ยก็เป็นวัดหนึ่งนะก็มีเกร็ดที่สำคัญตอนนี้นคือว่าตอนนั้นท่านก็เพิ่งมาถึงวัดนี้ใหม่ๆแล้วก็มีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากคนก็มาฟังธรรมกันล้นหลามจน ก, กันทั่งเนืองนั่นห้องประชุมนี้ไม่พอต้องล้นทะลักออกมาถึงข้างนอกระหว่างที่อาจารย์ท่านก็กลังแสดงธรรมอยู่นะก็มีคนบางคนที่อยู่นอกศาลาเนี่ย แทนที่จะฟังธรรมก็ไปสังเกตเห็นธงเนี่ยมันพลิ้วไหวค น, นก็บอกว่าธงมันไหวอีกคนต้งบอกไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวต้องหากทีแรกก็เถียงกันสองคนนะแต่ต่อหลังนี่โต้ยังกันไปโต้ยังกันมาคนก็มาร่วมวงนะถกเถียงกันมากขึ้นนะว่าธงไหวหรือลมไหวจากสองคนก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครูบาอาจารย์ก็เทาะพูดสวดอะไร สอนอะไรไม่สนใจแล้วมาเทียงกันเรื่องอะไรว่าว่าลมไหวหรือธงไหวสามคนต่างก็มีเหตุผลเถียงไปเถียงไปก็ชักจะเริ่มมีอารมณ์แล้วอยู่ๆท่านเว่หลังก็พูดสอดแทรกขึ้นมาเลย ว, ว่าใจท่านไหวต้องหากนเพรากว่าที่ประชุมนี่อึ้องเลยนะได้สติขึ้นมาทันทีเลยคือขณะที่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยไปมองว่าธงหรือลมไหวเนี่ยลืมดูใจว่าใจตัว น, นั้นเนี่ยกระเพื่อมแล้วนะ ท่านวัยหลังเนี่ยพูดแค่ไม่กี่คำนันแหละนะว่าใจท่านไหวบอกกว่าเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของอาจารย์ที่แสดงธรรมก็รู้ว่าท่านวัหลังนี่ไม่ธรรมดาก็เลยจัดการบวชให้เลยนะท่านบวชเมื่ออายุสามสิบแปดอันนี้ก็เป็นเป็นเกร็ดที่สอนใจเราได้ดีนะว่าจะไปมัวเถียงกันว่าทงไหวหรือลมไหวบางทีเราเถียงกันในะเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองมาก ว่าสีไหนดีหรือว่ า, านักการเมืองคนไหนเถียงกันเรื่องทักษิณอภิษฎนะเถียงกันไปเถียงกันมาลืมดูใจว่าใจเราเนี่ยมันไหวแค่ไหนนะอันเนี้ยนะเราต้องกลับมาดูใจเราอยู่เสมอนะอย่ามัวแต่สง่งจิตออกนอกการที่เราจะไปรับรู้เรื่องภายนอกหรือว่าทํากิจการงานต่งางๆเรื่องภายนอกก็สําคัญนะหรือการที่เราจะถกเถียงเรื่องอะไรกันก็แล้วแต่แต่อย่าหยุดอยลืมกลับมาดูใจนะ มันต้องรับรู้สองทิศทางตลอดเวลานะเหมือนกับต้นไม้ที่แผ่ขยายกิ่งแล้วก็ลากเนี่ยไปในสองทิศทางเราก็ต้องพยายามที่จะรับรู้สองทิศทางไปในเวลาเดียวกันก็คือรู้นอกรู้ในนะเวลาทํางานเวลากินข้าวเวลาล้างจานเวลาซักผ้าเราก็รู้ภายนอกนะทําด้วยสัมปชัญญะแต่ขณะเดียวกันก็ดูใจอยู่เสมอโดยเพราะยิ่งเวลามีเรื่องมากระทบทําให้เกิดความทุกข์เนี่ยนั้นะต้องกลับมาดูใจนะ คนฉลาดนี่ก็จะจะกลับมาดูใจนะแล้วความฉลาดนี่บางทีมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ได้เท่านั้นนะเด็กก็ทำได้เหมือนกันนะมีเด็กคนหนึ่งชื่อประวานนะประวานนี้ตอนอายุสี่ขวบนี่แกท่องอิติปิโสได้แล้วก็ท่องพาหุงก็ได้วันหนึ่งเนี่ยนะโดนแม่ดุโดนแม่ดุนี่แกก็บึ้งเลยนะแต่สักพักแกก็ เดินหันหลังหันหลังแล้วก็เดินไปหลบไปนั่งหลบมุมแม่แปลกใจเพราะปกติประวานจะเถียงแม่นะปราวานเด็กฉลาดนะจะเถียงไม่ได้เถียงด้วยอารมณ์เถียงด้วยเหตุผลนะแต่ว่าวันนี้ประวานไม่เถียงแม่นะเดินไปนั่งหลบมุมแม่แปลกใจก็เลยครับประวานทําอะไรประวานบอกกำลังสงบสติอารมณ์ครับนะประวานเนี่ย มีความทุกข์ปาวานมีความไม่พอใจนะพ่อถูกแม่ว่านี่ธรรมดาแต่ว่าวิสัยของคนทั่วไปนะเนี่ยอย่ว่าแต่เด็กแต่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันพอไม่พอใจพ่อถูกว่าเนี่ยทายัางไงเถียงโต้นะแต่ประวานเนี่ยกลับมาจัดการที่ใจของตัวเองแทนที่จะพุ่งออกไปข้างนอกแทนที่จะไปจัดการกับสิ่งข้างนอกเช่นเถียงแม่กลับมาดูใจแล้วก็รู้ว่าใจมันร้อนใจมันทุกข์ก็มาแก้ที่ใจคือสงบสเสติอาลม แล้วคนเราเวลาทุกข์ใจเนี่ยมันต้องกลับมาแก้ที่ใจใช่ไหมไม่ใช่ไปไปจัดการกับสิ่งภายนอกแต่ผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะเวลาเกิดความทุกข์เนี่ยนะทุกที่ใจแต่ไปแก้ที่ข้างนอกมันก็แก้ไม่ได้นะแต่เด็กสี่ขวบเนี่ยนะเขาฉลาดนะเขารู้ว่าเขาทุกข์ใจนะความโกรธความไม่พอใจเมื่อเขารู้ที่ว่ามันทุกข์ใจเขาจะมาแก้ที่ใจคือมันนั่งสงบสติอารมณ์อันนี้ก็คล้ายๆกันอีกคนนึงนะ ชืนออ่น้องไอน้องไอ้นี่ก็สามีข่ขวบเหมือนกันแต่ไม่ได้รู้จักกันนะพอ น, น้องไอนี่อารมณ์ดีนะวิ่งนะวิ่งเพลินไปหน่อยนะวิ่งไปชนประตูกระจกนะไปชนประตูไปชนป ร, ประตูกระจกดังตึง้งน้องอ้าวน้องไอก็ร้องเลยนะร้องด้วยความปวดแม่อยู่ในครัวได้ยินน้องไอร้องก็รีบวิ่งเข้ามาเห็นน้องไอนั่งจุม่มจุมปลุกเนี่ยก็จะเข้าไปกอดจะไปปลอบใจ น้องอายยกมือแล้วบอกว่าแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอนั่งสมาธิก็าหายธรรมดาเด็กเนี่ยเวลาชนกระจกเนี่ยจะต้องโกรธกระจกนะจะต้องโกรธกระจกแล้วไปต้องหาทางอาจจะแก้แค้นด้วยการเตะกระจกนะแต่ว่าน้องไอนี่ไม่เลยน้องไอายเขารู้ว่าเขาทุกเขากาลังปวดเนี่ยแทนที่เขาจะระบายความโกรธนะไปใส่ใส่ใส่ประตูกระจกเขากลับมาจัดการที่ใจก็คือว่ามานั่งสมาธิ พอรู้ว่าถ้านั่งสมาธิแล้วใจสงบเดี๋ยวความปวดมันก็ทุเลาลงนะนเด็กเขาเขาเรียนรู้ได้นะแล้วเด็กเขาเรียนรู้ได้ไวด้วยนะอันนี้ผู้ใหญ่บางทีก็ต้องอาศัยบทเรียนหรือว่าครูบทเรียนจากเด็กนะว่าเด็กนี่ก็เป็นครูให้กับเราได้ว่าเวลาทุกข์เนี่ยทุกข์ใจเนี่ยเขาไม่ได้ส่งจิตออกนอกหรือไปจัดการกับข้างนอกเช่นดา่าโวยวาย แต่ตีข้าวของหรือว่าแตะกระจกเนี่เขากลับมาจัดการที่ใจของตัวเองแต่บางทีพ่อแม่เนี่ยกลับสอนตรงข้ามนะเช่นถ้าเป็นพ่อแม่คนอื่นเนี่ยน้องไ อ, อชอนกระจกจนหัวบวมเนี่ยก็ต้องเกิดเด็กร้องไห้ขึ้นมาก็จะสอนเด็กให้ตีกระจกนะตีประตูเนี่ยหรือว่าเด็กบางทีไปสะดุดขาเก้าอีล้ล้มนะเด็กร้องไห้ แม่ทาไงจะให้เด็กหยุดร้องแม่ก็ทําทีว่าตีตีโต๊ะเป็นการลงโทษเพื่อให้เด็กสงบอันนี้เนี่ยมันไม่ใช้เป็นวิธีการที่ดีเลยนะเพราะว่ามันมันก็ว่าไปแก้ที่ข้างนอกนะทั้งที่ความทุกข์มันอยู่ที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจไม่ใช่ไปแก้แค้นหรือไปไปทําโทษสิ่งนอกตัวแต่แม่เนี่ยสอนได้นะสอนให้เด็กเขารู้ว่าให้เขามารู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรนะกำลังปวดกําลัง กำลังเจ็บใช่ไหมแล้วโกรธ ด, ด้วยหรือเปล่าเ อ, อสอนเด็กให้เขาเห็นทั้งเวทนาแล้วก็ทั้งจิตเนี่ยสอนเวให้รู้เวทนาคือว่าปวดไหมเจ็บไหมสอนให้รู้จิตก็คือว่าอารมณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรโกรธใช่ไหม เ, ออเดี๋ยวลองทำใจสงบดูสิความโกรธก็หายความปวดก็จะบรรเทาลงแม่ที่ฉลาดนี่เขาเขาจะเขาจะสอนอย่างนี้นะมีเพื่อนคนหนึ่งเขา เล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสิบกว่าปีแล้วนะลูกอายุสิบสองลูกสาวเนี่ยวันหนึ่งกลับจากโรงเรียนแล้วก็บอกแม่ว่าเนี่ยหนูอยากได้ของเล่นชิ้นหนึ่งจังเลยนะอะไรล่ะมันเป็นไมโครโฟนนะเวลากดแล้วเนี่ยกดสวิตช์แล้วเนี่ยมันจะร้องเพลงเหมือนกับว่าเจ้าตัวนี้กําลังร้องเพลงไปด้วยสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะแพร่หลายอย่างทุกวันนี้ แม่ก็ถามว่าเท่าไรสี่ร้อยบาทแม่ก็ตกใจเพราะว่าแม่ไม่เคยซื้อของเล่นแพงขนาดนั้นแม่มีเงินนะแต่ว่าเขาสอนลูกแบบพอเพียงเวลาจะให้ใหขนมใ ห, ให้เงินค่าขนมหรือว่าจะซื้อของเล่นให้ก็ซื้อไม่ได้แพงขนาดนั้นปกติถ้าแม่เจอแบบนี้เนี่ยก็จะมีทางออกอยู่สองทางก็คือว่าหนึ่งซื้อให้เลยนะหรือสองห้ามซื้อไม่ซื้อให้เดี๋ยวจะเสียนิสัย แต่แม่คนนี้ก็ฉลาดนะเขารู้ว่าเด็กเนี่ยอยากจะได้นะเด็กเนี่ยลบเร้าอยากจะได้มากเลยจะไปห้ามนี่คงจะไม่ได้ผลแต่ว่าจะตามใจเด็กก็มันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ก็เลยพูดกับเด็กว่าเนี่ยแม่จะซื้อให้นะแต่ว่ามีเงื่อนไขสองอย่างอันที่หนคือว่าจะหักเงินค่าขนมของลูกเนี่ยวันละครึ่งหนึ่งใส่กระปุกจนครบสี่ร้อยและสองเนี่ยให้ลูกเนี่ย ทุกวันก่อนกลับบ้านให้ไปดูของเล่นชิ้นนั้นแล้วก็ดูใจตัวเองด้วยนะให้ดูใจตัวเองด้วยว่ายัางชอบของนั้นอยู่หรือเปล่ายัางชอบเหมือนเดิมไหมนะยังชอบเหมือนวันก่อ น, อนๆไหมลูกก็บอกว่าได้ไม่ยากนะแล้วลูกก็ทาตามที่แม่บอกนะทุกวันก่อนกลับบ้านลูกก็แวะไปที่ร้านของเล่นแล้วก็ดูของแล้วก็ดูใจไปด้วยว่า ความชอบมันเป็นยังไงยังชอบเหมือนเดิมไหมบอกว่าพอวันที่สี่เนี่ยลูกก็มาบอกกลับมาถึงบ้านมัน ก, ก็บอกแม่มาหนูไม่เอาละของเล่นเนี่ยทําไมล่ะเบื่ออา้าวลูกอยากได้ไม่ใช่เลยอยากรบเรา้าเบื่อล้นะแม่ตอนนีหนูไม่ชอบแล้วดูมันดูไปนานๆก็ไม่ชอบแล้วเอาเงินสี่ร้อยบาทนี่ไปทําอย่างอื่นดีกว่าสิ่งที่เด็กพูดน่าสนใจนะดูนานๆก็ไม่ชอบ ดูอะไรนะไม่ใช่แค่ดูของเล่นนะแต่ดูใจด้วยความชอบเนี่ยของเด็กเนี่ยนะพอเด็กดูความชอบบ่อยๆเนี่ยดูทุกวนันทุกวันเนี่ยมันมันจืดเลยนะเราลองสังเกตดูเราเราชอบแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเรากลับมาดูใจเราบ่อยๆดูความชอบเนี่ยมันจะเริ่มจืดมันจะเริ่มจืดมันจะเริ่มคลายไอตอนใหม่ๆความชอบใหม่ๆโอ้มันมันรุนแรงมากเลยนะต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต า, ไดตามความอยาก ความชอบความอยากเนี่ยแต่ถ้าเรากลับมาดูมันเราไม่ต้องทําอะไรมันนะดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะจืดมันก็จะค่อยๆหมดพิษสงลงแม่เขาฉลาดนะแม่เขาเขาเขาไม่ห้ามเด็กว่าอย่าซื้อเลยนะหรือเขาไม่ได้ตัดบทเด็กว่าหนูต้องหักห้ามใจนะหนูต้องต้องกําจัดความอยากหนูต้องไม่อยากนะหนูต้องกดความอยากไว้นะแม่ไม่ทําอย่างนั้น พ่อแม่คนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่สนใจเรื่องการเจริญสติด้วยเขารู้ว่าเนี่ยถ้าถ้าหาให้เด็กเนี่ยดูดูใจของตัวไปเรื่อยๆเนี่ยนะไอความชอบความหยามก็จะค่อยๆค่อยๆละลายหายไปหรือถึงแม้เด็กยังชอบอยู่เนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยเด็กก็จะเร่ยรู้วิธีการดูใจแม่เนี่ยสอนลูกให้ดูให้มีสติ โดยที่ไม่ได้บอกว่าเนี่ยคื อ, ค, อคือการเจริญสตินะแต่สิ่งที่แม่สอนเนี่ยคือการที่ทให้ลูกเนี่ยมีสติดูอารมณ์ของตัวนะแม่บอกให้ดูของแล้วดูใจด้วยดูของเล่นชิ้นนั้นแล้วก็ดูความชอบด้วยว่ายัางชอบเหมือนเดิมไหมนะอันนี้มันเป็นวิธีการสอนที่ทําให้เด็กเนี่ยรู้ทั้งข้างนอกแล้วก็รู้ทั้งข้างในนะส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งภายนอกจนลืมดูใจนะเมื่อไรที่เรากลับมาดูใจเนี่ยนะไม่ว่าในเวลานั้นมันมีความอยากหรือมีความโกรธหรือมีความเศร้าความเบื่อไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องกดข่มมันแค่ดูเฉยเฉยนะดูโดยที่ไม่ได้อยากจะกดข่มมันด้วยอย่างเด็กคนนี้เนี่ยเขาก็แม่บอกให้ดูก็ดู เขาไม่ได้คิดจะทําอะไรกับความชอบเขากำคิดว่าเ อ, อชอบก็ดีอยากก็ดีนะแต่ดูไปดูไปมันเบื่อเองมันจืดเองเนี่ยเรียก น, นี่คืออํานาจของสติคือพลังอย่างสตินะดงั้นที่เรามาเจริญสติ ก, กันเนี่ยนะก็เพื่อมาฝึกนเนี้ยคือกลับมาดูใจของเราแต่ก่อนที่จะมาดูใจดูกายก่อนไอ้การที่กลับมาดูกายนี่ก็ก็เป็นก็เป็นเรื่องของการอกลับมาดูภายในเหมือนกันนะ ใช่เราเรากลัวเนี่ยเวลาเรากลัวอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าเราโกรธอะไรก็ตามเนี่ยใจเราจะเพ่งไปที่คนคนนั้นเรากลัวงูเรากลัวความมืดใจแล้วก็ส่งออกนอกไปที่ความมืดนะไปที่งูแต่เราไม่ได้ตระหนักเลยว่ากายของเราตอนนั้นเป็นอย่างไรกายของเราตอนนั้นเนี่ยกําลังกําลังเกรงนะตัวเกรงหายใจถีหรือว่าขนลุกนะ หรือถ้าเป็นความโกรธเนี่ยนะมันจะเห็นความเกร็งจะไม่รู้ว่าตอนนั้นอาจจะไม่รู้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเพราะมันมีความาการเกร็งหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่สั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาดูนะกลับมาดูกลับมาดูใจกลับมาดูกายเนี่ยเพียงแค่กลับมาดูกายเนี่ยว่าขณะที่กําลังกลัวนะที่กําลังโกรธเนี่ยกายมันเป็นอย่างไรเพื่อมันช่วยลดความ ความกลัวไปได้ไม่น้อยเลยนะมันช่วยลดไปได้เยอะเลยมีมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุสามสี่ขวบจะกลัวกลัวอะไรนะกลัวโป๊เวลาพ่อเนี่ยอุ้มลูกเนี่ยจะข้ามจะขึ้นพ่ออุ้มลูกหลงโป๊ะเพื่อจะขึ้นเพื่อที่จะลงเรือข้ามฟากเนี่ยเด็กจะกลัวมากกลัวแบบที่เรียกว่าอธิบายยังไงก็ ไม่ช่วยเลยเวลาลูกเวลาพ่อเนี่ยอุ้มลูกเนี่ยเพื่อที่จะลงเรือเนี่ยพอเหยียบโป๊นี่ลูกจะจะร้องแล้วก็กอดพ่อแน่นแล้วก็รบเร้าว่าให้ออกจากโปะนั้นพ่ออธิบายยังไงด้วยเหตุผลยังไงก็ไม่ได้ผลแล้ววันหนึ่งแกก็ได้ฟังเรื่องราวของของเพื่อนที่เป็นที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ ใช้สติเนี่ยนะในการที่จะทําให้ลูกเนี่ยเห็นความโกรธของตัวจนกระทั่งความโกรธเนี่ยมันมันเพล่าลงไปโกรธย่านะโกรธย่าโกรธมากก็ถามลูกว่าเนี่ยลูกโกรธใช่ไหมใช่โกรธโกรธแค่ไหนโกรธแค่นี้โกรธแค่นี้ลรืโกรธเท่าฟ้าเลยลูกบอกโกรธเท่าฟ้าเลยดูหน้าตกใจนะแต่ลูกพูดแต่สักพังเนี่ยลูกก็หายโกรธเลยแล้วก็ไปวิ่งเล่นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แล้วผู้ชายคนนี้พูดเป็นพ่อเนี่ยของเด็กที่กลัวโป้เนี่ยได้ฟังเรื่องราวก็เออดูเสื้อมันจะได้ผลไหมก็อุ้มลูกขึ้นโป้ะลงโป้ะนะลูกก็ร้องลูกก็เกรงนะพ่อก็ถามลูกว่าลูกตอนนี้ลูกเป็นยังไงลูกรู้สึกยังไงกลัวกลัวนี่มันเป็นยังไงนะ ร่างกายมันเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงนะหัวใจมันเต้นเร็วพ่อนะขนก็ลุกด้วยนะมันเกรงไม่หมดเลยเด็กก็ตอบได้นะพอพ่อถามไปทีละอย่างทีละอย่างเด็กก็ตอบว่าใจเป็นยังไงใจกลัวนะสักพักเนี่ยเด็กก็นิ่งนะแล้วก็เด็กก็ปล่อยมือพ่อลงมาวิ่งเล่นในโปะเลยบนโปะเลยให้ความกลัวมันหายไปเลย สิ่งที่พ่อทำคืออะไรก็คือให้เด็กเนี่ยได้รู้ว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรนะใหม่ๆเนี่ยนะสำหรับเด็กเนี่ยเรื่องกายนี่จะเห็นชัดเพราะมันเป็นปรูปธรรมแต่ก็ยังสามารถที่จะรู้ใจได้ที่เรามาเจริญสติกันเนี่ยนะก็ให้มาดูกายดูใจเนี่ยก็คืออันนี้แหละก็คือเวลาเดินนี่ก็ให้รู้ว่ากายเคลื่อนไหวนะมือมันขยับเท้ามันเดิน ให้รู้กายซึ่งว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่รู้ง่ายๆนะเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยบ่อยครั้งก็ลืมกายเพราะว่าไปใจไปนึกถึงอะไรก็ไม่รู้ลืมกายไม่พอลืมใจด้วยปล่อยใจเตลเปิดเปลืองไปไหนก็ไม่รู้เวลาเจอตาเห็นรูปผัวดินเสียงถ้าเป็นสิ่งที่ชอบใจก็จิตมันก็พุ่งไปข้างหน้าเลยเช่นตักอาหาร เห็นของโปรดอยู่ในจานข้างหน้าเนี่ยจิตมันก็ไปพุ่งที่จานหรือถาดอาหารนละกลับมาดูใจเห็นใจบ้างไหมนะหลายคนก็ลืมใจนะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีความชอบมีความอร่อยจิตนี่มันเพ่งอยู่ที่ถาดอาหารแล้วก็อาจจะมีความหงุดหงิดด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาตักไปจนหมดเลยเนี่ยโอ้ยิ่งไม่พอใจอ่งตอนนั้นเนี่ยจิตมันก็ไปเพ่งอยู่ที่เพื่อนแล้วว่าเพื่อนนี่ ตักอาหารจนหมดนะแต่ลืมดูใจว่าตอนนั้นมีความโกรธมีความไม่พอใจมีความหงุดหงิดนี่เราฝึกได้นะดูกายดูใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมาฝึกแต่เฉพาะเวล า, าสร้างจังหวะเดินจงกรมนะไอตอนที่เราตักอาหารตอนที่เราอาบน้านําตอนที่เราเดินมาที่ศาลาเนี่ยมันก็เราก็สามารถดูใจได้นะแต่ไม่ใช่ดูใจแบบดัก ด, ดูนะดักเฝ้าดูนะเดี๋ยวไปไปเหยียบ หินหรือว่าไปสะดุดลุมเนี่ยนะก็ได้นะนะคนบางคนนี่ไปดูใจประเภทกะดูใจอย่างเดียวจนกระทั่งลืมดูทางนะอันนั้นไม่ถูกนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าต้องดูนอกต้องรู้นอกแล้วรู้ในด้วยนะนอกก็รู้ในก็รู้นะเวลามีอารมณ์มากระทบจะเป็นรูปจะเป็นเสียงอนะเราก็รู้รูปหรือเสียงที่อยู่ข้างนอก แล้วเราก็ไม่ลืมที่จะกลับมาดูใจของเรานะให้การรับรู้เนี่ยมันเป็นสองทิศทางนะนอกและในเนยอันนี้เราเป็นการฝึกสตินะที่จะทําให้เราอ่ามีความรู้สึกตัวได้ไวขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอ่อเทหรือปล่อยวางอารมณ์นะที่จริงต้องเรียกว่าให้มันให้อารมณ์มันสลายไปมากกว่าเอาคำนี้ก็บพวกันเท่านี้นะอาครับ